คล้ๆหลวงพ่อมาเยี่ยมบ้านเก่านะเพราะบ้านเกิดหลวงพ่ออยู่แถวนี้แหละ mm hmm. อยู่แถววัดราชนิ่งตอนเด็กๆ เ, เ, เดินผ่านโรงพยาบาลกลางเป็นประจำเลยเขาไปเรียนที่วัดพระปลาชัยตอนนั้นชอบมากเลยโรงพยาบาลกลางเป็นโรงพยาบาลเงียบๆ เ, เล็กๆข้างหน้ามีบ่อมีน้ําตกเล็กๆมีปลา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 พระสักราคามีพระอนาคามีนะก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ท่านเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าพระเศคาบุคคลผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่เฉะนั้นอย่างพวกเราอย่างไรก็ต้องเรียนนะ้เรียนธรรมะเราไม่ได้ต่อสู้กับใครนะเราต่อสู้กับความไม่รู้ของตัวเองเาะั้เราเรียนธรรมะจะเราเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ไกลนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อ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 ที่พวกเราหลายคนชอบไปหัดภาวนานั่งให้เคลิม้มลิบหลิบหลีนะลืมกายลืมใจใ ก, ใ, กใกล้ใกล้สลบนะเราก็บอกว่าอย่างนั้นสงบดีความจริงใ ก, ใกล้สลบแนะนั่งจนลืมเน้นลืมตัวขาดสตินะอย่าไปตั้งอย่างนั้นเสียเวลาการที่เรานั่งภาวนาแล้วเราก็เคลิ้มลืมตัวไปนะจิตมีโมหะแทนที่จะนั่งแล้วสู้กิเลสได้นะกับนั่งแล้วกิเลสมากกว่าเก่าอีก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 ถ้าหากเป็นสติปัฏฐานก็เระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจเรียกว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดถ้าเมื่อไรเราอยากปฏิบัตินะเราก็เพ่งน้อยให้ใจน้อมนิ่งอยู่ในอารมณ์มเดียวกําหนดปนไปเรื่อยหนดลมหายใจนะกำหนดท้องกําหนดเท้ากําหนดมือกําหนดอิริยาบถสี่กำหนดปนไปเรื่อยก็คือเพ่งอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้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 รู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องคลองยุบก็เพ่งท้องนะรู้เท้าเพ่งเท้ารู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นอันนั้นไม่ใช่พิปั ส, สนาพอเพ่งเนี่ยมันจะนิ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งจเจ้าไตร ล, ลักษณ์ที่ไหนมาให้ดูนะไม่มีไตร ล, ลักษณ์ให้ดูกายก็นิ่งใจก็นิ่งไปเหมือบางคนนิ่งมากนะเมื่อสองวันนี้ก่อนที่หลวงพ่อจะปิดวัดก็ ม, มีพระ หอผิวพระมาะด้วยกันฝึกกําหนดมาหนักนาสหาหัสเลยนะกําหนะดจนไม่รู้เรื่องลนะ่ะท่านใจลอยแบบนี่เลยนั่งฉันข้าวนะนื้ําลายยืดเลยไม่รู้เนะื้อรู้ตัวเลยนะก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วถ้าพระอรหันต์น่าสงสารอย่างนั้นคงไม่มีใครเขาอยากปฏิบัติหรอกพวกหมอเนี่ยจะเข้าใจดีเลยพวกหมอโรงพยาบาลบ้านนะเคยบอกหลวงพ่อว่าไม่ชอบนักปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วบ้าเยอะ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 มองๆอยู่นะเดี๋ยวใจก็ฉลับไปที่อื่นฉลับไปคิดทางอื่นเนี่ยตอนนี้อย่างคุณเสื้อดับเนี่ยใจหนีไปคิดละเราไม่ได้ดูอย่างเดียวเราสั่งจิตไม่ได้นะยกเ้นเพ่งยกเบนเพ่งอย่างคุณที่ใส่ทยอันเนี้ยจ้องหลวงพ่อแล้วเพ่งมาอย่างนี้นะจิตก็จะนิ่งๆงั้นเพ่งเนี่ยใช้ไม่ได้อย่าไปเพ่งไว้ถ้าเราไม่เพ่งนะเราจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราเพ่งเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์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 มีความทุกข์ความทุกขก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเรืงแต่ของชั่วคราวเท่ า, ทานั้นเลยที่หมุนมาในใจเรานีหมุน UM เวียนเข้ามาแล้วก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้หายไปนี่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูนะแล้วเราบังคับไม่ได้เราสั่งจิตเราไม่ได้นะว่าจงมีแต่ความสุขความทุกข์มันจะมาห้ามมันไม่ได้เราสั่งว่าจงมีแต่ความดีมจิตใจมันจะโลภมันจะโกรธจะหลงเห็นไหมเราห้ามมันไม่ได้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 สัตว์เบลชานั้นมันหลงทั้งวันจะหาขณะที่มันไม่หลงเนี่ยแทบไม่ได้เลยมันจะหลงตลอดเวลาเลยถึงเป็นสัตว์เบลฉานหรือเปรดนะเปรตมันโลภตลอดเวลาใจมันมีแต่ความโลภนะมันเหมือนีกว่าความโลภมันเที่ยงเที่ยงอยู่างนั้นโลภอยู่อยางนั้นอยากโน่นอยากนี่อยู่ตลอดเวลาเลยมันไม่แสดงใจรักง่ายๆหรอกสัตว์นรกมันมีแต่ความทุกข์มันเป็นไปด้วยโทสะ นะความทุกข์บีบคั้นอยู่งนั้นโทสะก็บีบคั้นอยู่งั้นทั้งวันทั้งคื น, น, นไม่เหมาะที่จะเจริญวิปัสสนาอาสุรกายนะพวกนี้ยึดถือในความคิดความเห็นพวกเซลจัดนะพวกเซลจัดนะต่อไปเราอย่าไปเรียกเลยว่าพวกอีโกโพวกอัตตาแรงอะไรนะเราเรียกง่ายๆอยาให้เขาได้ยินนะว่าพวกอสุรกายในสังคมเราก็เยอะ น, นะอสุรกายเลมันเซลจัดมันยึดถือแต่ความคิดความเห็นของมันนะไม่รู้ผิดชอบช่วดีแล้วพวกนี้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 จิตใจสงบอยู่นานเลยมาเป็นกลับๆหมดพระพุทธเจ้าไปทั้งหลายองค์นะมันก็ยังสงบอยู่อย่างนี้เห็นไหมว่าจิตเหล่านั้นในภพภูมิทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หมาะกับการทํำวิปัสสนาเลยจิตของพวกเราเนี่ยเหมาะกับการทํำวิปัสสนาที่สุดแล้ยงั้นเราอยากทาลายจิตของมนุษย์ไปนะจงกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะจงมาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาหลายคนไปภาวนาที่นั่นที่นี่นะเสร็จแล้วไปที่วัดหลวงพอ่งพอหลวงพ่อต้องมานั่งแก้ใหม่ส่วนมากจะไปเพ่งไปเพ่งอยู่นิ่ง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 แล้วเราใช้จิตใจธรรมดาอย่าไปดัดแปลงมันแล้วก็ตามดวมันไปอย่างเด็กๆนั้นเราเอาไอติมไปให้มันใช่ไหมมันก็ดีใจอย่างผู้ใหญ่เอามาให้มันต้องวางฟอร์มใช่ไหมอยากกินแทบตายแเราก็ต้องวางฟอร์มอย่างยิ่งเป็นพระอย่างหลวงพ่อเมื่อเห็นไี้นี่อยากกินแล้วก็ต้องทําเป็นสงบไว้เนะี่ยผู้ใหญ่มันมารยามากส่วนเด็กนะใจเด็กมันซื่ อ, อใจที่ซื่อๆนั้ น, ะนะภาวนาง่ายที่สุดเลยนะเห็นคนนี้เกลียดเกลียดเลยนะ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 ความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะหาทางทําให้หายโกรธอันนี้เป็นการแทรกแซงจะยิ่งทําให้เครียดมากขึ้นต่อไปความโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ทางดูไปใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธความ โ, โลภเกิดขึ้นดูลงไปเลยนี่ใจมันโลภไม่ใช่เราโลภนะใจมันโลภของมันเองไม่ใช่เราโลภใจมันหลงไม่ใช่เราหลงใจมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านใจมันหดหู่ไม่ใช่เราเหดหู่ใจมันสงสยัยไม่ใช่เราสงสยัยดูมันไปนะ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 มันก็แค่อยากเอาความสุขอยากผลักความทุกข์ออกไปความอยากมันก็มีอยู่เท่านั้นเองทีนี้ทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจนะถ้าเมื่อไรเรารู้กายรู้ใ จ, จแจ่มแจ้งไม่ยึดถือในใกายในใจนความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากจะให้กายให้ใจเพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกละงั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไรนะเราจะละปัญหาละความอยากได้อัตโนมัติแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกเนื่องว่าละเป็นสมุทเฉิเลยไม่ใช่ละเป็นกล่าวๆนะที่ท่านบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละ ถ้ารู้ทุกได้เมื่อไหร่นะสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติความอยากจะไม่เกิดขึ้นถ้าความอยากไม่เกิดขึ้นอะไรจะไม่เกิดความบีบคั้นทางใจจะไม่เกิดถ้ามีความอยากเกิดขึ้นนะความบีบคั้นทางใจจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจแจ่มแจ้งหมดความอยากนะความบีบคั้นในใจจะไม่เกิดขึ้นอีกนะเราเข้าถึงความปนทุกข์เรียกว่านิโรธหรือนิพพานพนิพพานมีจริงๆนะนิพพานไม่ใช่นิยายหลอกเด็ก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 พ้นจากกิเลสพ้นจากขันนะจิตที่เข้าไปรู้นิพพานแนละ้วไม่ไปยึดถือในกายในใจไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกไม่ยึดถือกระทั่งนิพพานจิตใจยังมีแต่บารมณ์สุขเต็มเปี่ยมเยวิอย่างนั้นเนละจิตใจจะเข้าถึงความสุขซึ่งนึกไม่ถึงจริงๆเลยอัศาจรรย์ที่สุดเลยการที่เราคอยรู้กายรู้ใจที่เรียกว่ารู้ทุกนะจนวันหนึ่งมันละความอยากได้แล้วมันเห็นนิพพานได้อันนั้นแหละเรียกว่ามรร มัดคืออะไรมัดกค็คือการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะจนเห็นความจริงเห็นใจรักจนหมดความยึดถือนั่นแหละขณะจิตซึ่งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจม่มแจ้งนะขณะจิตนั้นละสมุทยัยละปัญหาหมดละความอยากไปหมดเลยในขณะนั้นเห็นนิพพานขณะนั้นแหละเรียกว่าเกิดอริยมัดนะทุกสมุทัยนิโรธมัดเลยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันนะไม่ใช่เกิดทีละครั้งทีละครั้งคนละคราวไม่ใช่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 ก็จะไปเห็นนิพพานนะมีแต่ความสุขล้นๆ้นเลยนี่เทศตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่กอกไก่ยันหอนุภูกเลยนะมันอยู่ที่พวกเราแล้วนะธรรมะก็บอกให้อย่างเปิดเผยถ้าพูดสำนวนหนังสือพิมพ์บอกหลวงพ่อเทศแบบโงคลุ้มนะเทศแบบเทกระเป๋าเทย่ามให้หมดเลยนะนั้นหน้าที่ของเรารู้ตัวรู้สึกตัวนะแล้วก็ดูกายมันทางานดูใจมันทางาน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 ฟังไปฟังไปหายได้นะยกเว้นพวกที่เป็นเพราะสมองผิดปกตินะถ้าเป็นเพราะระบบปรนะสาทเนี่ไม่หายนะถ้าเป็นเพราะทางจิตใจแล้วหายได้น้องไหวกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออยา่าไปกดไว้ปล่อยจิตให้เป็นธรรมดานะของคุณเริ่มใช้ได้ลนะปล่อยให้เขาทํางานแล้วเราตามดูเข้าไปกระผมขอถามว่าขออุบายพรเดชพระคุณที่จะลดความเพ่งของกระผมครับ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 นี้ถ้าเราเพ่งอยู่แล้วก็ไปต่อไม่ได้กาบนมัสการหลวงพ่อนะคะคืออยากถามว่าเออลูกควรภาวนาอย่างไรหรือว่ามีอุบายอย่างไรที่เหมาะกับลูกนะคะการภาวนาจริงๆเนี่ย น, นะคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้นเราต้องหัดรู้สึกต้องหัดมีสติก่อนสติเป็นเครื่องมือในการรู้กายรู้ใจวิธีที่จะทําให้สติเกิดนะั้นก็คือจิตจะต้องจําสภาวะได้แม่น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 เลิกซะตอนที้ต้องเลิกนะตัวนี้ขวางวิปั ส, สนาอยู่นะขอคุณใจลอยคนที่สามใจลอยไปแล้วทราบไหมพอหลวงพ่อหันไปกคุยกับคนนี้หนีไปเลยเนหะ็นไหมออกนอกโรงพยาบาลไปแล้วนะอย่ารู้สึกรู้สึกรู้สึ ก, สกแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมอย่าบังคับตัวเองนะล่อยให้มันทํางานรู้สึกไหมเราเพ่งอยู่ตอนนี้รู้สึกไหมเรากดให้มันนิ่งอย่า ก, กดให้นิ่งนะเลิกซะ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 คุณเผลอแล้วคุณรู้ว่าเผลอจิตควรจะตื่นนี่นแหละคือเคล็ดลับเคยมีพระองค์หนึ่งนะลูกศิษย์หลวงปู่ท่อนไปหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการท่านติดสมถะท่านติดเพ่งอย่างรุนแรงนะเพ่งจนเครียดมากเลยเส้นเลือดในสมองแทบแตกเลยไปหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อพรองค์นี้เพ่งแรงติดเพ่งมานานหลวงพ่อหลอกท่านนะชวนคุยให้ท่านเผลอพอท่านคุยคุ ย, คยท่านเลิกเพ่งใช่ไหมคุยแล้วมันเผลอไปบอกนี่เผลอไปแล้วนะ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 ของคุณหลงไปคิดแล้วนะคุณนึออกเอาให้หลงไปอีกรูปแนละ้วแต่คราวนี้ไม่ตื่นเหมือนตะกี้คราวนี้เพ่งเอาไว้หลวงพ่อสักคะแล้วตอนกําลังมองแล้วสักครเนี่ยกำกำลังกังวลกระวายแล้ ว, แ ล, วแล้วดูอย่างนี้นี่โอเคหรืยังโอเคสิเราเห็นว่าจิตมันกังวนกระวายเราเป็นแค่คนดูนะเราไม่ได้กังวลกระวายถ้าเมื่อไหร่เราอินกับมันนะเราถึงจะกะังวลกระวายไปด้วยเหมือนเราดูโทรทัศนะ์นะอือโทรทัศน์เราเห็น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 ขอบคุณผู้ชายก็ไปบังคับนะปล่อยแทบปล่อยปล่อยกราบขอบคุณหลวงพอ่อเช่นค่ะขอบคุณนะใจะยังสงสัยอยู่ให้รู้ว่าสงสัยเชื่อก่อนแล้วค่อยขอบคุณนะอะนมัส ก, การหลวงพ่อเออของผมนี่ปฏิบัติถูกแล้วก็จิตตื่นบ้างหรื อ, อยังครับก็พอใช้ได้นะแต่ตอนนี้คุณตื่นเต้นก็เลายไปกดไว้นะใช้ได้อยู่หักดูสภาวะไป ถ้าทั้งวันเห็นว่าเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็รู้สึกถ้าเห็นอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าทั้งวันเลยไม่เคยเผลอเลยในเพ่งแน่นอนเลยเพราะจิตของเรามันไม่รู้สึกตัวได้ตลอดเวลาไม่ใช่พระอรหันต์อย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วใช่ไหมหัดดูไปอย่างนี้นะใช้ได้เออคนนี้เริ่มคลายออกแล้วรู้สึกไหมแจมสว่างขึ้นมาแล้วเอออย่าไปเพ่งลอยมันลงมันกลางทั้งหมดเลยได้ปะเก่งนะครบคนแล้วใช้ได้แล้ว นามสการค่ะก็คือเพิ่งฝึกแล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าจะยังมีอาการแน่นๆในท้องออแน่นๆเพราะว่าเพ่งไว้บังคับไว้เราจะทำยังไงถึงจะคลายได้นะคะอย่าไปทํามันสิถ้าทำยังไงก็เพง่งยังเครียดถ้าเราไม่ไปทําเหตุของมันเราก็ไม่เครียดหัดรู้สึกไปรู้ความรู้สึกนะความรู้สึกใดๆเกิดขึด้นคอยรู้เล่นๆไปไปฟังซีดีอีกอ้ไอ้หนูคนนี้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 เขาคุ <K an> นิง่งมันนิ่งเกินไปถ้าเราเพ่งอยู่นะจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกดเลยครับกดไว้ไม่เพียงกดธรรมดานะน้อมจะให้ซึมด้วยอ๋อครับ <columns. S 1> แล้วจะแก้ไขยังไงครับขอกันบ้าน <S <S <S <S เลยเลอกนั่งไปก่อนเลิกนั่งสมาธิไปก่อนนะแล้วก็ไปเดินไปหา ง, งานทำํำนกะวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารดต้นไม้ Jamie, อะไรนี้หา ง, งานทําไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทํางานเรื่อยยังไม่จะตื่นขึ้นมา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 ถ้าดึงแล้วจะแน่นอ๋อจะไม่อยู่จะไม่เป็นการจะมันมันไหลไปมันไม่ตั้งมั่นอ๋อมันไหลลงไปอยู่แช่อยู่กระกายนะฮะจี่ก็ถูกโมหะครอบไปเลยครับจิตเลยกลายไปทําสิ่งที่ครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าโมหะสมาธิครับมันไม่ใช่สัมมาสมาธิทําล้วมัวเราทำแล้วไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ครับเดี๋ยวตามไปส่งกันบ้านที่วัดอีกทีครับเออนะตามไปดูวันหน้าวันบางวันรู้ว่าผมอยู่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 ให้รู้ทันนะจิตมันกินไม่หม<น> ะ, ะ, ะให้รู้ทันลงไปเรื่อยเร่อเริ่มหายจากการเพ่งแล้วแหะใช้ได้ขอบคุณค่ะเก่งนะเพ่งตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วแก้ได้มีคุณป้าอยู่คนหนึ่งนะแก่เพ่งมาตั้งแต่สาวสาวแกไปหาหลวงพ่อตอนอายุแปดสิบเจดหลวงพ่อบอกว่าโยมก็เพ่งต่อไปก่อนแก้ไม่ทันแกเถื่อนแก่ให้เลิกเพ่งนะจิตจะฟุ้งสุดขีด แ, แล้วตายตอนนั้นเดี๋ยวจะไปอบายซะ รอแกไปเป็นพระพรหมนะผ่านพระศรีอารไปอีกสองสามองค์อะไรเงี้ยนะยเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่มาตั้งต้นเอาใหม่เสียเวลานะอ่ะกลับไปกลับน้ำมัศาการแล้วข อ, อกาสหลวงพ่อนะครับแป๊บนึงนะหลวงพ่อจะต้องเล่นงานแม่ชีแม่ชีใจลอยแนละ้วรู้สึกไหมนะเอออ้าวว่าไปครับอยากจะให้หลวงพ่อช่วยตรวจกันบ้านนิด น, นึงว่าที่ปฏิบัติมาเพ่งเกินไปหรือว่ากดเกินไปหรือเปล่าครับยังมีกดอยู่บ้างนะนะครับ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 Mm hmm. แต่ว่าอย่าปล่อยจิตให้เสื่อนแล้วไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมนะปกติจะใช้วิธีตามรู้ลมหายใจควบคูคค่ไปกับการการรู้สภาวะพร้อมกันไปด้วยครับก็ทำได้แต่ต้องไม่ไหลไปถ้าไหลไปแล้วไม่สามารถรู้สภาวะได้ครับแล้วอย่างนี้วิหารธรรมที่ผมควรจะก็รู้ลมหายใจไปไ ม, ไ, มไม่ขาดกับไม่ขาดสิหลวงพ่อก็เริ่มมาจากลมหายใจนะครับแต่แทนที่จะหายใจเราให้จิตนิ่งนะหลวงพ่อหายใจล้วรู้ทันจิตครับ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 เพ่งท้องฟองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเพ่งเท้าจิตก็ไปอยู่ที่เท้าเพ่งมือจิตก็ไปอยู่ที่มือเพ่งอะไรจิตก็ไหลไปอยู่ที่นั่นจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้ลุ้มผู้ดูขึ้นมาเอาไอ้หนูที่ไปฝาซ่อนแก้วหลงแล้วแล้วก็มบว่าบังคับตัวเองด้วยรู้สึกไหมตรงนี้ต้องเลิกเลยนะอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ไม่ได้เป็นการบังคับกดข่มจิตแล้วขอขอคำ ถ, ถามนะครับแล้วอย่างนี้เราใช้วิธีการเคลื่อนไหวกายควบคุ่เข้าไปด้วยดีที่สุดเลย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 อย่างนี้ยมันพยายามหน้าอยูน่นงนะมันรู้สึกรู้สึกนะแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้เพ่งไว้เขาคุณเพ่งนะระวังนะงพเพ่งเหรอคะ เ, ออเมื่อกี้ที่ไปรู้กายไปเพ่งไก่รู้แบบเพง่งนะเช่นอย่างนี้มันม น, นิ่งไปยังไม่สามารถ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 จิตจิตมั น, ไ, น, นไม่ตั้งมั่นนะรู้สึกไหมจิตมันเหมือนมันโปร่ปงโปร่งว่า ง, างๆกระจายออกไปข้างนอกแล้วอย่างนี้ลูกจะต้องให้รู้ทันมันว่าจิตหลงออกไปข้างนอกจิตมันไม่ย้อนัวนเข้ามาดูกายดูใจมันไปนไว่างๆโปร่ politic, ๆปงๆสบายๆเผลอเลอเพลินเพลินไปอันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมจ๊ะไม่ดีไม่ดีต้องรู้กายต้องรู้ใจไ้ม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 บอกว่ามันมีสถาปนิกคนหนึ่งไปรับงานออกแบบที่ยากมากเลยคิดไงก็คิดไม่ออกนะแกก็เลยนอนไปเลย <c oughs> ตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิอหลรงนะันแกะลืมไป <c oughs> แล้วแกเห็นแปลนมันขึ้นมาเลยพิจิตมันเป็นธาตุรู้แล้วทีนี้บางทีแบบว่าอย่างลูกเคยขับรถไปเนี่ยมองเห็นตึกอยู่อยู่ก็จะมีแบบว่า ตึกที่ล้างเนี่ยมาทาบทับอยู่อย่างเงี้ยมันคือเป็นอะไรเจ้าคะเป็นนิมิตเป็นนิมิตเฉยๆทั้งที่ตามองเห็นอยู่ย เ, ยเพราะว่าจิตของคุณเนี่ยมันเพ่งไว้เรื่อยๆไม่เป็นสมถะอยู่เรื่อยคต้องแก่ต้องเลิเลกม <laughs> ไม่ใช่ต้องแก้ต้องเลิกเพ่งติดสมถะนะกรบขอบคุณเจ้าคะ่ะแล้วไปติดตอนนี้สมถาเพ่งให้ว่างๆไว้กับนมัตการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะที่ฉันอยากขอการบ้านกับหลวงพ่อคะ่ะเพราะว่า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 ตื่นเต้นที่ได้พบผ้าจา์ค่ะเพราะใครๆบอกว่าะ้าจา์นี้พบยากมากยากเลยหรือเพราว่านคนพบหลวงพ่อเยอะนะนั่นสิคะวันนี้แต่ละอาทิตย์นะคนพบทั้งหลายพันค่ะพอวันนี้ได้มีโอกาสพบะ้าจา์ก็เลยทดลองดูจิตตัวเองอว่าเรานั่งมองอาจารย์ในเวลาเดียวกันก็มีเกิดความคิดขึ้นมา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 แรกๆก็ทําได้ค่ะตอนหลังๆงานมันเยอะก็หลังๆงานมันเยอะก็เลยปล่อยไปไค่ะงานเยอะก็ทําสิทําไม่ทําน้ำมันก็ทุกแหละเรื่องอไรเราจะต้องมีชีวิตที่มีความทุกข์จิตกงหนูตอนนี้เป็นไงจิตกงหนูตอนนี้เป็นยังไงเจ้าค่ะก็ไม่เล็วนะไม่ได้มีปัญหามากหรอก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 น, นว่ารู้ชัดของท่านนะรู้ด้วยสติคือรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ด้วยปัญญาคือเห็นว่ากายนะั้นะไม่ใช่ตัวเราง่ายๆแค่นี้นะไม่ใช่ให้ไปยกเท้าอะไรต่ออะไรยุ่งนะการรู้สึกตัวที่เหมาะสมกับผมกา้การรู้สึกตัวแบบไหนครับร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมนะขอคุณที่ทำมามันเพ่งมาเยอะให้รู้สึกกายไปรู้สึกร่างกายไปเลยนะแล้วจิตใจขยับเ ย, ยื่อนเนี่ยมันจะเห็นเอง ราอย่างเห็นไหมเนี่ยจิตไหลไปอยู่ในไม่ลืมออกไหมจิตไหลเข้าไปอยู่ในหม่ตรงที่รู้ว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ในไม่นั้นจิตตื่นขึ้นแวบหนึ่งลืมออกไหมหมดที่เตรียมไว้สิบแปดคนแล้วค่ะหลวงพ่อหมดแล้วเหรอแต่ว่ามีคนเขียนคําถามมาสองคำถามไม่ทราบหลวงพ่อจะให้โอกาสหรือเปล่าคำถามเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยให้อีกคนหนึล้ก็จับใหม่ละค่ะกัลน้ำมศการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขออนุญาต เ, เรียนถามแนวทางการปฏิบัติแล้วก็แนะนําชี้นาที่เหมาะกับตัวลูกเจ้าค่ะโยมอย่าให้จิตนิ่งนะอย่าภาวนาแล้วน้อมจิตให้นิ่งนิ่งเกินไปคกลับมาเป็นคนธรรมดาที่ภาวนาไม่เปลี่ยนเจ้าค่ะคนธรรมดาที่คนนี้ก็ว่าเขาโมโหคนนี้เขาชมก็ดีใ จ, จแล้วเรามีส ต, ติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปของโยมใจมันโลง่งๆว่างๆมากไปนิดนึงเจ้าค่ะ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 แต่ละวันนะตื่นขึ้นมาแค่นึกถึงเนี่ยใจเราไม่เหมือนกันเวลากินข้าวนะนักบริหารทั้งหลายกินข้าวไหมก็กินใช่ไหมเวลากินข้าวใช่ไหมเจออาหารนี่ถูกใจแม่เลยขาจัดมาให้ถูกใจมันพอใจขึ้นมาให้รัวพอใจวันนี้จัดอะไรมาให้เรากินไม่รู้ไม่ชอบเลยนะโมโหรัวโมโหเห็นไหมมันไม่ได้เบียดบังนะทำงานได้หรือขับรถมาจากบ้านมาที่ทํางานเนี่ยรถติดตลอดเลยหงุดหงิดแล้วรัวหงุดหงิดกังวลแล้วกลัวจะมา ต้อนรับผู้ว่าไม่ทันในข่าวว่าผู้ว่าจะมาอะกลัวจะมาไม่ทันกระวนกระวายรู้ว่ารกระบวนกระวายเนี่ยปฏิบัติได้แต่เวลาทํางานจดจ่ออยู่กับงานไม่ใช่เวลาจเจริญสติจดจ่ออยู่กับงานเวลาทํางานต้องคิดเรื่องงานนะคิดไปคิดไปทํางานไปทําไปลูกน้องมา ก, วก่วนเราอีกแล้วถือแฟ้มใหม่อีกแล้วเออเราจะเลิกคิดเรื่องงานเรื่องนี้อยู่กําลังยุ่งยากอยู่เอางานอื่นมาแทรกเราโมโหเรารู้ว่าโมโหเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้ หรือเราตั้งใจจะทํางานให้เสร็จนะโทรศัพท์มาอีกแล้วเดี๋ยวก็โทรศัพท์เดี๋ยวก็โทรศัพท์พโมโหอีกแล้วรู้ว่าโมโหเราทํางานเสร็จเราเอาไปพรีเซนต์ในที่ประชุมเข้าไปเจอรัฐมนตรีเราก็สั่นนะกลัวรู้ว่ากลัวเราจะหายกลัวรัฐมนตรีเลยเ้าเร า, เ ร, ารู้ทันนะแล้วเรารู้ทันตัวเองนะพอเรารเสนอพรีเซนต์งานเขาชมใจเราพองเรารู้ว่าพองไหม